ของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็าหายขาดไปในที่สุดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวใยอยู่ในถํากลางแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ ในขณะนั้นพระองค์จะรู้สึกว่ามีแต่ จ, จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นไม่มีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ในจตุคธานเป็นจิตพุทธะซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จะตุทะฌานที่นี้เมื่อจิตของพระองค์ไปถึงขั้นจะตุทะฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอากินจัญญายตนะเดวสัญญาัายตนะตามลำดับ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 พอเจตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมเจตของพระองค์จจนเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทิตาในโลดนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุ ข, ขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้า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 ได้พลังพร้อมจิตเบ่งบาลานออกมาอีกครั้งหนึ่งแพรและรั้วจะมีครอบคลุมจั ก, กรบาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสโลเป็นโลกวิฑูผู้โลแจ้งโลคือโลยมมาโลกได้แก่พบโภมของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งสัตว์นลก พระองค์รู้ในขณะจิตเดียวแล้วก็รู้ภ พ, พภูมิของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์รู้ภ พ, พภูมิของเทวดาตั้งแต่เ ท, เทวดาชั้นจาตุมจนกระทั่งถึงพรห ม, มโลกขั้นอั้นอนิธาพรม <c oughs>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 ว่าสัตว์ในจั ก, กรวาล น, นี้แต่และตนแต่และตัวเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุพเพในวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของพ่อพรมของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งขั้นวันลนะแบ่งนความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลาย เือรู้เรื่องการจติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจตูปปตาตญาณแล้วก็รู้อาสวัคยญาณเพื่ออวิชาโมหะอันเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริง ย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะสัดให้ไปเกิดในภพใดภูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์ในไัฉานก็มีให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรก า, ายเป็นเทวดาอินพรหมยมยับ ซึ่งอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุเพนิวาสานุสจัิยานก็ดีจตูปาปาจัจยานก็ดีอาสวัคคายานก็ดีพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมาม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 แต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทั้งปุเพนิวาสารุสติยานจุตูปปาตยานอาสวักขยาญทําไมจิตในขณะนั้นจึงคิดไม่เป็นเพราะไม่มีร่างกายตัวตน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 พาสิทธิว่ากรรมสติิพัตติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณากฏของกรรมคือจตุปะปารยานจบลงในมัททิมยามแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องกิเลสอาธวะคืออวิชชาความรู้ไม่จริง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 เมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิปลากคือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกฎของกรรมก็ส่งหนุนให้เบียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจถิมยามคือโจใรใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลําดับยามทั้งสามคือปฐมมยาม พิจารณาเรื่องปุเพในวาสานุสติญาณมัจชิมยามพิจารณาเรื่องจูตูปปาปาตยญาณปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคคยายาอาอาสวะกิเลสในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เห็นมานั้นเป็นความจริงแท้ไม่แปรพัน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 แม่กเกเรตน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อีกแล้วแล้วกเรตทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นอันว่าบรรลุถึงแดนอมะตะจึงได้พระนามว่าอารหังสัมมาสัมพ โ, โพธิภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกส์ส้นเชิงตรัสโลชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการศนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปค้องใจสงสัยในหลักและวิธีการ เราจะเอาบริกรรมภาวนาคำไหนก็ได้ถ้าใครนับถือศาสนาเคลตให้บริกรรมภาวนาเยซูถ้าใครถืออิสลามให้บริกรรมภาวนาถึงพระเจ้าอัลฮะลาห์ถ้าใครถือศาสนาพุทธให้ภาวนาพทุทโธ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 แต่ผลลัพธ์ก็คือสมาธิอันเดียวกันนั่นเองบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งโลลักวิธีการตามตำลักตำลาแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งโหลักวิธีการทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มาก ย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดีความเข้าใจคําว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งผู้บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิง่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวชํชนานิชํานานเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้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 มีความรู้พร้อมในขณะจิตนั้นศสนสมาธิปรรัญญาก็รวมลงสู่จุดนั้นคือความปกติของจิตเมืจิตโว้โวโวโว้โลงไปสัญญาเจตนาที่จะให้จิตเป็นอย่างไรนั้นมันหมดสิ้นไปความตั้งใจจะให้จิตสงบก็ไม่มีความตั้งใจจะให้ magic magic ใ จ, จิต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 บางทีเราอาจจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสองสามคำจิตมันวูกลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมายัางกระน้ำพุในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่ารักขณูปนิชฐานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิด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 ได้แต่รู้จิตอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสนาเป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผล <c oughs> ทีนี้ในะเมื่อท่านทั้งหลายทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมา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 อย่าไปเกิดความเอกใจหรือไม่ต้องไปยุดมั่นในันนิมิตนั้นนั้ น, น, นเพียงแต่กำหนดรูจิตของตอนเองหนึ่งเฉยอยู่เท่านั้นในเมต t นั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวติ่งจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาเรียกว่าอุค่านิมิต แต่ถ้าว่านิมิตนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงย่อมีอาการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปมาหรือบางทีอาจจะเนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกสุดหัวลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาค์ินเมิต ปัจภาคณิมิตนี้เป็นจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสฉนากรรมฐานถ้าว่าจิตไปสํสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็ก็รู้ความไม่เทียงคืออนิจจงเมื่อรู้อนิจจงก็รู้ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนั้น ในเมื่อรู้อนีจังทุกขงังแล้วก็รู้อนัตตาคือความไม่เป็นตัวของตัวของนิมิตหรือสิ่งรู้เห็นนั้นเราก็ได้รู้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมทีนี้ถ้ า, าว่าจิตของเราไม่ไปอย่างนั้นพอสงบสว่างร่างกายยังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกาย ก็จะมองเห็นไวยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการสามสิบสองแล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เราว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเทนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสํำรวจภายในคือร่างกายรู้อาการสามสิบสองเมื่อร่างกายคืออาการสามสิบสองหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัย ถ้าจิตมีภูมิพอที่จะพอที่จะรู้ทำเห็นทำจิตจะย้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผูพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตาย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 ในไม่เจตดโลอยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะู้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกําลังพอที่จะเกิดภูมิความรู้มันจะมีปรากฏการณ์ว่าแวบว่าแวบอยู่ในจิตบางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไปบางทีก็นิ่งๆว่างๆ ซึ่งแล้วใจจิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้จิตไปรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตเรียกว่าจิตกําหนดรู้ความเกิดดับทีนี้ความเกิดดับที่ปรากฏภายในจิตนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่ง ล, ลึกของสติเมื่อสมาธิและสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะกําหนดหมายรู้สิ่งที่เกิดดับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา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 ก่อนที่จะจาบ ก, กันในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์การสอนสมาธิของลูกศิษย์ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดถ้าพราท่านไม่ถือว่ามันเป็นของแปลกใหม่เกินไปเวลาท่านไปเยืนหน้าห้องกำลังเตรียมจะสอนนักเรียนท่านอาจจะกล่าวเตือนนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวข้าพเจ้า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 จะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวอขอฝากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบา ร, รมีของชมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบรราลให้จิตใจของท่านทั้งหลายยึดมั่นในคุณพระรัตนทรัยคือพระพุทธพระรมพระสงฆ์ ยึดมั่นในเจตนาแน่วแน่ที่จะละบาปความชั่วตามกฎของศีลห้าแล้วก็ให้จิตของท่านสงบเป็นสมาธิได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้จะปรารถนาสิ่งอื่นอันเป็นผลพลอยได้ก็จงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเออืิน